จเจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจไฝ่ธรรมทุกท่านพบกับรายการธรรมะสู่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้อัรมภาพได้นำเสนอธรรมะสู่ท่านสาธุชนเป็นประจำ ก่อนที่สาธุชนจะได้รับฟังธรรมะจากทางรายการอัตมาขอยกเอาคติพจน์ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโ ร, รหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำที่ท่านประพันธ์ไว้ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่มาสู่ท่านสาธุชนว่าเกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทาไม สิ่งที่อยากก็หลอกสิ่งที่หยอกเขาก็ลวงทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใหญ่เลิกอยากลาหยอกรีบออกจากกรามเดินตามขันสามเรื่อยไปเสร็จจิตส6บหไม่ตกกันดานเรียกว่านิพพานก็ได้สาหรับวันนี้ รายการธรรมสุสันติก็จะได้นําการตอบปัญหาธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมงคโลเรื่องธรรมกายคืออะไรและพระอรหันต้องผ่านหรือเป็นธรรมกายหรือไม่ซึ่งธรรมะเรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวเพรา ะ, ะคําว่าธรรมกายหรือว่าพระอรหัน์ที่หมดกิเลสแล้วนั้นจะต้องเป็นธรรมกายหรือไม่นั้นมีผู้สงสัย ถามมาขอเชิญท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านมาทำความเข้าใจตั้งใจรับฟังเนื้อหาสารธรรมเพื่อที่จะได้เป็นความรู้เพิ่มพูนสติปัญญาความทางธรรมของเราและจะได้นำไปสู่หนทางแห่งการปฏิบัติตามพระสัทธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบต่อไปจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่าน มาตั้งใจรับฟังพร้อมๆกันเจริญพรสาธุชนทุกท่านเมื่อครั้งที่แล้วอาตมาภาพได้แสดงธรรมบรรยายต่อปัญหาข้อที่ว่าธรรมกายคืออะไรไปแล้วซึ่งหากจะสรุปณบัตรนี้อีกครั้งหนึ่ง ธรรมกายก็หมายถึงธาตุล้วนทำล้วนมีชีวิต จ, จิตใจเป็นกายและใจที่บริสุทธิ์ที่สุดที่อยู่เหนือความปรุงแต่งทั้งผลบุญและผลบาปเป็นกายในกายที่สุดละเอียด อยู่ในจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งของมนุษย์เราเนะี่ยมีอยู่ด้วยกันทุกคนถ้าหากท่านผู้ใดทากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไปถึงจุดนี้ได้ก็จะสามารถเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกาย ขึ้นมาได้กายและใจที่บริสุทธิ์ที่สุดในที่สุดละเอียดพ้นจากกายและใจที่ประกอบด้วยปัจจัยทุงแต่งแล้วนั้นชื่อว่าธรรมกายและธรรมกายนี้อุบัติขึ้น ชื่อว่าธรรมภูตะอุบัติขึ้นเมื่อใครทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์้นจากความปรุงแต่งทั้งหลายแม้เพียงชั่วคราวไปจดใจที่สุดละเอียดในกลางคาตุธรรมที่สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดนี้ได้ธรรมกายก็จะอุบัติขึ้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ เป็นภาษาพระบาลีว่าธรรมะภูตะความอุบัติขึ้นนี้มิใช่ความเกิดเกิดพบเกิดชาติโดยมีอวิชามูลรากฝ่ายเกิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแปลว่าไม่มีความเกิดเช่นว่านั้นในเบื้องต้นจึงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแปรผันไปตามเหตุตามปัใจจัยในท่ามกลางและไม่ต้องเสื่อมสลายไปในที่สุด เพราะฉะนั้นธรรมกายจึงไม่ต้องตกอยู่ในอานัตแห่งพระไตรลักษ์คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือสามัญลักษณะจึงชื่อว่าพรมกายแปลว่ากายอันประเสริฐและความอุบัติขึ้นของกายอันประเสริฐจึงชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าพรมภูตานี่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงไว้มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่สิบเ็ดหน้าเจ็ดสิบห้าถึงเจ็ดสิบหกซึ่งในบาลีพระพุทธภาสิตก็มีอยู่ในพระสุตตันตปิฎกทีคณิกายปาติกวัตรอัคคัญเยสุนั่นเองทีนี้ความเข้าถึงธรรมกายว่าเข้าถึงอย่างไร กล่าวโดยย่อก็เข้าถึงโดยการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาก็จะถึงวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะของกายในกายในแต่ละกายที่ซ้อนอยู่ณภายในของเราเองจากสุดหยาบคือกายมนุษย์ไปจนสุดละเอียดถึงกายอาลูกปพรมทนจากความปรุงแต่งของกายอาลูปพรมแล้วก็จะถึงสมมากาย และการเข้าถึงธรรมกายนั้นเพียงแต่เข้าถึงเฉยๆแต่คุณสมบัติยังไม่สามารถที่จะละกิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกอย่างน้อยสามประการคือสกายาทิพิวิจิกิจฉาสีลัพตาปรามาได้ก็ยังจัดเป็นแต่โกตรภูบุคคลซึ่งยังมีโอกาสที่จะปฏิบัติ ด, ดำเนินต่อไปให้ถึงมรรคผลนิพพานได้ หรือมีโอกาสตกต่ำกลับมาเป็นปุถุชนธรรมดาผู้หนาด้วยกิเลสได้เช่นกันแต่ถ้าพิจารณาสภาวะธรรมให้เกิดปัญญารู้แจ้งในพระอริยสัจทั้งสี่มีทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะมิโรธสัจจะและมรรคสัจจะสามารถประหารกิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกอย่างน้อย3ามประการดังกล่าวข้างต้นจึงจะมีคุณสมบัติ ข้ามโทษปุถุชนก้าล่วงโทษปุถุชนเข้าสู่ความเป็นพระอริยะบุคคลได้นี้เป็นแนวทางปฏิบัติภาวนาตามแนววิชาธรรมกายที่จะให้เข้าถึงธรรมกายและเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลนั้นชื่อว่าพระนิพพานซึ่งเป็นอายตนะที่ละเอียดเสมอกับอายตนะนิพพาน อันเป็นที่ประทับของพระนิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ขีนาสบทั้งหลายที่เข้าอนุปาทิเสสนิพานคือกายเนื้อแตกคำลายแล้วธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลของท่านที่สุดละเอียดจะไปปรากฏในอายสณ า, านิพานสงบตลอดกันหมดที่กล่าวทั้งหมดนี้มิใช่กล่าวเองแต่มีอยู่ในพระไตรปิฎก ในนิพพานสูตรที่สามขึ้นต้นว่าอัธิพิขเวตะทายะตนังแล้วก็มีความต่อเนื่องกันไปแสดงถึงลักษณะของอายะตนานิพพานเป็นเชิงในยะเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมกายที่สุดละเอียดก็สามารถที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นสภาวะของอายะตนานิพพานได้ อันนี้หมายถึงทั้งในเอกสารอา้าอิงและจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติดยองผู้ปฏิบัติหมดครับเพราะฉะนั้นสองย่างนี้ตรงกันตรงกันหมดครับแต่ถ้าเพียงแต่อ่านเนื้อความเฉยเฉยมักจะไม่เข้าใจนะคุณโยมมักจะไม่เข้าใจแต่พอเข้าถึงรู้เห็นและเป็นผู้ที่เข้าถึงรู้เห็นและเป็นจะเข้าใจ ค, ออคำเหล่านี้ได้โดยชัดแจ้งทีนี้เมื่อกี้มาถามว่า พระอาหารหันต้องผ่านธรรมกายหรือไม่พระอรหันต้องผ่านหรือเป็นธรรมกายหรือไม่ก็ดังที่ได้เจริญพรไวแล้วนั้ น, น, นแล้วและยังมีเอกสารอื่นๆอีกมากที่แสดงว่าพระอาหารหันต์และสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างเป็นธรรมกายด้วยกันทั้งสิ้นมาดูเอกสารในพระไตรปิฎก สักสองสามอย่างบางทีก็จะพอแน่ใจได้ว่าพระอาหารหันต์ต้องเป็นธรรมกายหร <Okay. S 1> ือเปล่าตัวอย่างแรกซึ่งอาตมาจะนำมาชี้ให้เห็นก็คือเอกสารที่ปรากฏอยู่ในปฐมสมโพธิกาถามารพันธปริปรวัติปริเฉ ท, ทที่ยี่สบปด พระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระประมานุคิดชีโนโรถเป็นคำแปลแล้วก็เรียบเรียงพูดอย่างง่ายๆภาษาธรรมดาเป็นคำแปลประถมสมโพธิกระถาจากพระไตรปิฎกแล้วก็เรียบเรียงเป็นภาษาที่ดีมีความว่าในสมัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ากำลัง ที่จะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ได้ผูกพยามารชื่อว่าพญาวัสวดีมาระจญพระองค์จนพระองค์ต้องอาศัยบารมีอุปบารมีปรมัต a บารมีทั้ง10ทัศน์นั้นเอาชนะพญามารได้และได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ใต้กวงไม้สีมหาโพในคืนวันเข็ญเดือน6 ดังที่ทราบกันอยู่ทั่วๆไปแล้วทีนี้ต่อมาภายหลังในสมัยพระเจ้าโซกธรรมมาธิราชก็ร่วมร่วมร้อยปีในสมัยนั้นพระเจ้าโศกธรรมมาธิราชได้ทราบซึ้งในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณก็ได้พยายามสร้างสถูก เป็นจํานวนมากสิ้นเงินสิ้นทองไปมากมายทีเดียวแต่ว่าการสร้างนั้นนะสําเร็จด้วยยากเพราะพญามาร น, นี่แหละยังติดตามพจน ข, ขัดขวางเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิพจนขัดขวางการสร้างพระสถูปการสร้างบุญสร้างผุศลของพระเจ้าโศกธรรมารถิราชเป็นอันมากทีนี้ในโอกาสนั้นก็ได้มีพระมหาเถระรูปหนึ่งเป็นพระอรหรันต์ คือชื่อว่าพระอุปคุตบางท่านก็เคยเห็นมีพระพุทธรูปบัวเข็มซึ่งแสดงถึงพระอุปคุตก็ขอให้พระอุปคุตนี้มาช่วยแก้ปัญหาพญามารให้พระอุปคุตมหาเถระก็ปราบพญามารจนสิ้นพยศแล้วพญามารกลับเป็นสัมมาทิฏฐิถึงกับตั้งจิตอธิษฐานขอ บำเพ็ญบารมีเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทีนี้เรียกว่าก่อนจะจากกันว่าอย่างนั้นเถอะพระอุปคุตนี่ไม่เคยได้เห็นพระวรกายเนื้อของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, าและพระอรหันต์ีนาศพเคยเห็นแต่พระธรรมกายนี่จึงได้ขอให้พญามาณซึ่งเคย พบเคยไปจนกับพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลขอให้ท่านได้เนรมิตกายเนรมิตกายให้เหมือนเลยกายเนื้อของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์ขี่นาศพและพระสาวกให้เห็นโดยที่มีคำกล่าวของพระอุปคุตว่าอันหนึ่งท่านจะได้อนุเคราะห์แก่อาตมา ด้วยสมเด็จพระบรมศาสดาบังเกิดในโลกสเสด็จเข้าสู่ปรินิพานเสียแล้วเราได้เห็นแต่พระธรรมกายมิได้ท่านเห็นซึ่งพระสรีรากายท่านจงสงเคราะห์นิรมิตพระรูปกายแห่งพระศาสดาจารย์พร้อมทั้งอาการทั้งปวงสำแดงแก่เราให้เห็นประจักษ์กับทั้งพระอัครสาวกทั้งคู่ให้ปรากฏด้วยฤทธิ์แห่งท่านกาลบัต ด, ดีวนี้เถิดนี่ พยามารก็เนรมิตพระบอกรากายเนื้อให้เห็นให้เห็นชัดเจนว่าพระพุทธเจ้ารูปร่างอย่างนี้พระอาหารหันสาวกมีอย่างนี้อย่างนี้แต่ในความตรงนี้ให้สังเกตให้ดีว่าพระอุปคุตได้เห็นแต่พระธรรมกายแต่ไม่เคยได้เห็นพระบรากายหรือรูปกายของพระพุทธเจ้านี่เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้านั้นทรงเป็นพระธรรมกาย ไม่ใช่กายเนื้อเพราะกายเนื้อนี่เป็นสังขารประกอบด้วยปัจจัยทรุงแต่งยังต้องตกอยู่ในอนัต์แห่งธาตุใจละคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ธรรมกายนั้นเป็นกายที่ยั่งยืนและมีอยู่ในทุกคนด้วยในพระอุปคุตเองผอุปคุตเองนั้นได้พบพระธรรมกายผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนี่ได้พบแล้วพบอย่างไรพบมีธรรมกายของตัวเองก็เห็นธรรมกายของพระพุทธเจ้าได้นี่ แต่ว่าไม่ได้เห็นรูปกายจึงได้ขอให้พญามานซึ่งเคยเห็นพญามานยังไม่ตายเป็นเทพนี่เป็นเทวดาชั้นสูงอายุา ย, ยื น, ยนก็จำได้ว่ารูปร่างอย่า ง, างไรก็เน ร, เรมิตกายให้ดูได้นี่เป็นเอกสารสำคัญข้อที่หนึ่งรประการหนึ่งที่ว่าสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นธรรมกายและมีอีกซึ่งความจริงอาตมาเคยนำมาอ่านหลายครั้ง แต่ก็ใค่จะนำมาอ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เห็นเป็นการรวบยอดมีอยู่ในพระสุตันตปิฎกขุทธกานิกายสรพันคะเถระคาถาข้อ365พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงพุทธกาัาร2514เล่มที่26หน้า334อันนี้ความนี้ชัดเจนว่าเมื่อก่อนเราพูดชื่อว่าสรพันคะไม่เคยได้เห็นโรคคืออุปทานขันห้าครบบริบูรณ์ทั้งสิ้น โรคนั้นอันเราผู้ทมตามพระดำรัสของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้เห็นแล้วว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระวิปัสสีพระสิกขีพระเวสภูพระกะกุสันโธพระโกนาคมมะณะพระกัจสปะได้เสด็จไปแล้วโดยทางใดแลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมก็ได้เสด็จไปแล้วโดยทางนั้น พระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์นั้นทรงปราศจากปัญหาตันหาไม่ทรงถือมัน่นทรงยังถึงความสิ้นกิเลสเสด็จอุบัติแท้โดยธรรมกายนี่แหละธรรมภูตะหรือพรหมภูตะผู้คงที่ทรงเอนดูอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายได้ทรงแสดงธรรมคืออริยสัจสี่อันได้แก่ทุกขเหตุเกิดทุกความดับทุกทางเป็นที่สิ้นทุก เป็นทางไม่เป็นไปแห่งทุกข์อันไม่มีที่สุดในสงสารเพราะกายนี้แตกและเพราะความสิ้นชีวิตนี้ความเกิดในพบใหม่อย่างอื่นมิได้มีเราเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากสัพเพกิเลสทั้งปวงคือได้เห็นแล้วก็แปลว่าท่านได้เห็นได้เป็นแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรท่านได้รู้เห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายในถอยหลังในอดีตไปมีเท่าไหร่เป็นธรรมกายทั้งสิ้นท่านสรพังคะ มหาเถระนี้ก็ได้รู้ได้เห็นได้เป็นแล้วก็เป็นธรรมกายเหมือนกันครับยังมีอีกมีหลักฐานอีกมากมายว่าพระอาหารหันต์ขีนาศพก็ดีพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระอาหารหันต์ปัจเจกพุทธเจ้าก็ดีล้วนแต่เป็นธรรมกายทั้งสิ้นพุงโยมครับฉะนั้นจากเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่หลวงพ่อท่านยกมาก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า พระอาหารหันต์นั้นจะต้องผ่านหรือเป็นธรรมกายแน่นอนต้องเป็นแน่นอนอเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทำไมการปฏิบัติธรรมในสายอื่นจึงไม่มีปรากฏว่าได้พูดถึงธรรมกายเลยครับ อ, อ, อันนี้ก็อาตมาภาพคิดว่าอาจจะมองข้ามไปหรือเปล่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกถ้าจะถามอาตมาก็ตอบไม่ได้ว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงไม่มี ว่ากันโดยแท้แล้วผู้ปฏิบัติธรรมที่จะก้าวล่วงเข้าสู่ความเป็นพระอริยะบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงพระอาหารหันตพระอาหารหันต์จะต้องรู้เห็นเข้าถึงและเป็นธรรมกายซึ่งชื่อว่าพระนิพพานสําหรับพระอาหารหันต์นะซึ่งชื่อว่าพระนิพพานคือธรรมกายที่บรรลุอาหารหัตผลแล้วทั้งสิ้นเพราะพระพุทธองค์ได้ประกาศ ได้ทรงประกาศว่าพระองค์เป็นธรรมกายพระอรหันต์ทั้งหลายต่างรับรองพระแม่น้ามหาประชาบดีโคตมีได้สแสดงเลยว่าธรรมกายของพระพร ะ, พระองค์ท่านอันสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงให้เกิดทร ง, งให้เกิดคือพระแม่น้านี่ยอายุมากกว่าและพระพุทธเจ้าจะทรงให้เกิดได้อย่างไรแต่ทรงทําให้เกิดหรืออุบัติเกิดในนี้หมายถึงอุบัติ ไม่ใช่เกิดพบเกิดชาติเพราะอาวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่ธรรมกายอุบัติขึ้นเรียกว่าธรรมภูตะหรือปรมภูตะนั่นแหละแปลว่าพระอาหารหันต์เป็นธรรมกายทางสิ้นครับไ ม, ไม่ได้มีเป็นอย่างอื่นเลยคุครับท่านผู้ชมก็คงจะใช้วิ จ, จารณญาณนะครับจากเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่หลวงพ่อท่านได้ยกมานะครับในการที่จะวินิจฉัยว่าพระอรหันต์นั้นจะต้องผ่านหรือเป็นธรรมกายนะครับ หลวงพ่อครับมีปัญหาอีกอันนึงที่น่าสนใจที่อยากจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวในหนังสือพิมพ์ว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมนะครับแล้วเกิดเป็นบ้าขึ้นมาเกิดเสียสติขึ้นมานะครับอันนี้อยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าอันนี้เป็นจริงหรือไม่อย่างไรครับอ๋อจเจริญพรออันนี้เป็นคําถามที่ดีแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่ถ้าคนไม่เข้าใจครับจะเขวไปมาก จำไว้อยู่ข้อนธรรมะปฏิบัติของพระพุทธองค์นั้นผู้ใดปฏิบัติตรงตามพระสัทย ธ, ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แล้วมีแต่ดีกับดีมีแต่เจริญกับเจริญรมีแต่ว่าจิตใจนั้นได้รับการพัฒนาสูงขึ้นจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นเลยครับแต่ทีนี้ที่มีปรากฏการเกิดขึ้นในบางกรณีรในบางสำนัก ว่าเมื่อปฏิบัติภาวนาธรรมไปแล้วพบว่ามีคนบางคนมีอาการทางจิตไม่ค่อยจะดี ค, ความจริงเนะี่ยให้ไปสืบถามดูให้ดีเถอะแทบทั้งสิ้นมีอาการมาก่อนปฏิบัติธรรมทีนี้เมื่อมาปฏิบัติธรรมแล้ว ได้พบได้เห็นอะไรบ้างเข้าไปก็ยิ่งฟูใจฟุ้งซ่านหลงลืมตัวรหรือบางครั้งเพียนจัดเกินไป ค, คือไม่มัชมมมชิมาปฏิปทาโดยอาการเช่นนั้นทำให้จิตใจบังคับจิตใจให้ฟุ้งซ่านหนักกวอีก บ, บางคนถึงขนาดว่าไม่กินไม่นอน ในอาการเช่นนั้นจิตใจจะฟุ้งซ่านมากเพราะมันเป็นการทรมานทั้งสังขารร่างกายและจิตใจแทนที่จะสงบไม่สงบกลับฟุ้งซ่านหนักไปอีกอย่างนี้เชื่อเดิมมีอยู่มาประกอบกับการปฏิบัติผิดวิธีอย่างนี้มีทางเป็นได้แต่ถ้าปฏิบัติถูกวิธี มีแต่จะดีขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะธรรมะปฏิบัติเบื้องต้นทำกายทำวาจาให้สงบไม่เป็นโทษแก่ตนเองและไม่เป็นโทษแก่ผู้อื่นด้วยการรักษาศีลผลบุญกุศลจากการรักษาศีลย่อมช่วยให้ลดเวรภัยลงนี่เป็นข้อที่หนึ่ง กายวาจาสงบลงเป็นข้อเป็นข้อสำคัญมีผลให้ใจสง บ, บการปฏิบัติธรรมใดที่เป็นธรรมะปฏิบัติที่ให้กายและวาจาสงบและมีผลสงบถึงใจด้วยการเจริญสมาธิที่ถูกวิธีเมื่อใจสงบแล้วความฟุ้งซ่านมันก็ต้องหมดไป เพราะคนที่จะเป็นโรคจิตโรคประสาทสติไม่ดีคือคนฟุ้งซ่านแต่ถ้าปฏิบัติถูกวิธีพอเหมาะพอดีกับสังขารร่างกายและจิตใจไม่หักโหมจนเกินไปหรืออีกอย่างหนึ่งครูบาอาจารย์แนะนำในทางที่ถูกที่คว ร, ครมีแต่ดีกับดีเพราะใจยิ่งสง บ, บมันจะเป็นโรคจิตโรคประสาทได้อย่างไรครั บ, รบท่าน<ท><ท>ผู้ชมครับก็คงจะต้องแยกแยะประเด็นให้ใช่เห็นว่า คือดูถึงสาเหตุต้นเหตุนะฮะอย่าไปดูที่ปลายเหตุใช่ไหมครับหลวงพ่อว่าอย่าไปดูปลายเหตุว่าคนนี้เป็นบ้าอช่ไปดูว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรก่อนอาจจะมีเชื้อมาก่อนบ้างใช่แล้วก็ดูอาจารย์ผู้สอนว่าถูกต้องตามตรงสายหรือไม่ใช่และวิธีปฏิบัตินั้นมัชฌิมาปฏิปทาพอดีหรือไม่ใช่ไมใช่ครับมีอีกนิดหนึ่งขอแถมหน่อยอีกสิ่งหนึ่งคืออาจจะมีวิบากกรรมเก่าของเขาอ๋อครับอันนี้เช่นคนบางคนเนี่ยเคยด่า เคยว่าคนเป็นอาจินก็ไปติเตียนไปด่าไปว่าพระอริยเจ้าหรือผู้มี จ, จิตใจบริสุทธิ์เข้าสิ่งนี้จะทรงผลให้มาเป็นวิบากหรือให้ผลกรรมมาเป็นคนมี จ, จิตใจฟุ้งซ่ารนระงับไม่อยู่รหรือบุคคลที่เคยเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทพอมาปฏิบัติธรรมเข้าบางทีผลกรรมนี้ก็มาได้จังหวะ ของการที่จะให้ผลบวกเข้าไปทำให้เข้าไปพบครูบาอาจารย์ที่<อ>แนะนำไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์รก็มีผลให้เป็นได้บ้างเหมือนกันเนรับเรื่องวิบากกรรมนี่จะแก้อย่างไรครับคือหรือทำอยังไงถึงจะปฏิบัติได้ตรงสายก็พยายามทำดีที่สุดให้ถูกต้องที่สุดในศีลในสมาธิในปัญญาในวิมุตติมุติญาทณทัศนะเดินสายกลาง อย่าหย่อนนักอย่าตึงนักก็ช่วยได้ดคุณคำแนะนำที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญทีนี้แม้คำแนะนำถูกต้องแล้วสิทธิ์จะต้องทำให้ถูกต้องตามคำแนะนำนั้นด้วย บ, บางทีครูแนะนำคนตั้งร้อยตั้งพันตั้งมื่นตั้งแสนเป็นประจำทุกวันทุกเป็นปีอย่างนี้มันก็ต้องเจอประเภทที่ออกนอกลู่นอกทางไปจนเป็นอย่างนั้นจนได้เพราะว่าคนจานวนมากคนมีวิบากกรรมก็ดี คนที่มีเชื่อมาก่อนก็ดีคนที่ไม่ปฏิบัติตามครูก็ดีก็มีโอกาสเป็นได้เยอะสาธุชนก็ได้รับฟังการตอบปัญหาธรรมของหลวงพอ่อพระมหาเสริมชัยช ย, ยมังคโลโเรื่องพร ะ, ะธรรมกายคืออะไรและพระอรหันต้องผ่านหรือเป็นธรรมกายหรือไม่ซึ่งก็หลวงพ่อได้อ ปัญหาเผยแผ่ออกทางสถานีทุรทั์ช่อง9ก้าอสมทออตมาจึงนำมาเผยแผ่ให้สาธุชนได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเป็นธรรมะบรรณาการให้แก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังสารธรรมจากรายการธรรมสู่สันติอยู่ในขณะนี้สำหรับในคลาต่อไปอัตมาก็จะได้ทยอยนาธรรมะ ของหลวงพ่อออกมาให้สาธุชนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่ประเดศประคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและก็เป็นและก็นำมาถ่ายทอดสั่งสอนให้แก่สิทธิยานุสิ์ได้สืบทอดสืบต่อกันมาเจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันและประเดศประคุณหลวงพ่อท่านยังเคยได้ป่ารกไว้ว่าต่อไปทั่วประเทศไทยจะ ปฏิบัติแบบวิชาธรรมกายเพราะวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพนั้นได้หลักแล้วหลวงพ่อท่านพยากรไว้อย่างนั้นและตอนนี้วิชาธรรมกายก็กาลังเจริญรุ่งเรืองอยู่ให้สาธุชนได้ศึกษาและปฏิบัติกันสำหรับวันนี้รายการของธรรมสุสันติก็หมดลงแล้วขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไป ขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในพระสัตยธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านเถิญเจริญพร